นราสะโพเนเกสุบเบาเวสุติงสปารมีนามิศิราสานิจังภูเรตตวาคโตวรางโมขังนาโทอภิชันโด ดวายังหิตวาสรรทกังโมดังวเนุดุการังนามาเมศิรัสาดระังพระนราสภะผู้ทรงบำเพ็ญบารมีสามสิบทัตนับพบนับชาติไม่ทวนเสด็จมาดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระนราสพระผู้ประเสริฐพระองค์นั้นด้วยเสียนเกล้าเป็นนิดพระนาถทรงปรารถนาโมกษธรรมสระพระราชโอรสและก็พระมเหสีทั้งสองพร้อมด้วยแวนแควนน้อยใหญ่ทรงเรื่อนลมในภัยสนข้าพเจ้าขอนอบไหวพระนาถผู้ทรงทาสิ่งที่ทำได้ยาก พระ อ, องค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขอ ก, ก็ขอคณะสงฆ์นะที่มาวันนี้ด้วยแล้วก็ขอจเจริญพรญาติโยมทั้งหลายเออในวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาสนทนากับญาติโยมที่บอกว่าพระบรมศาสดานทรงสร้างบารมี อันยิ่งใหญ่การที่พระบรมศาสดาได้ทรงสร้างบารมีทั้ง30สทัศน์ที่บอกกับท่านนบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยบารมีสัจจะขันติขันติสัจจะทิฏฐานะเมตตาแล้วก็อุเบกขาบารมีอุปบารมีสิบปรมาธรบารมีสิบที่เป็น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 สามารถที่จะให้ผลเกิดขึ้นมากกว่าตนแล้วก็เป็นเบื้องต้นของสมาบัติของอภิน ญ, ญาของมากผลฉะนั้นกุศลจิตุบาบทาที่เกิดขึ้นจากการนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้ากุศลจิตุบา ท, ที่เกิดขึ้นจากการฟังพระธรรมบางท่านก็ยังกุศลจิตุบา ท, ที่เป็นไปในญาณสัมบยุธทธ์คือเกิด พร้อมโดยปัญญาเกิดขึ้นในขณะที่ฟังพระธรรมบางท่านก็เกิดขึ้นโดยฐานะเป็นญาณวิปยุตแต่ก็อยู่ในฐานะเป็นกุศลจิตฉะนั้นมหากุศลจิตวิบาทเนี่ยถ้าพิจารณาเป็นไปตามลําดับแล้วนีก็จะเห็นว่าสภาพของกุศลจิตที่เกิดขึ้นจากการฟังพระธรรมนั้นเน่ยเป็นประ ฐ, ฐานแก่ ปลาโมดคือความปราบปลื้มเนี่ยนะแล้วก็ปรามโมดก็เป็นประทาฐานแก่ปีติปีติก็เป็นประทาฐานแก่ปัตสธิคือความสงบปสัสสติความสงบก็เป็นประทาฐานของความสุข ค, ความสุขก็เป็นประทาฐานของสมาธิสมาธิก็เป็นประทาฐานของยถาภูตายานทัศนะ ยะถาภูฏายานทัศนาเป็นประฐานแก่นิพิธาคือความเบื่อหน่ายกระแสะของชีวิตที่เป็นไปในกามภพรูปภพและอรูปภพนิพิธาคือความเบื่อหน่ายจักเป็นประฐานของมรรคยานมรรคยานก็เป็นประฐานของผลลยานผลลยานก็เป็นประฐานของปัจเาาจเวขณาญาปัจจเวขณาญาณก็เป็นประฐานของ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 การที่พระบรมศาสดานั้นนะ่ะนะท่านบำเพ็ญบา ร, รมีแล้วก็บา ร, รมีต่างๆเหล่านั้นนะ่ะเราท่านทั้งหลายต้องการจะมาย่อยมาเป็นหลักปฏิบัติของเราเป็นต้นด้วย 1. การศึกษาในทางด้านของศีลบา ร, รมีของพุทธเจ้าแล้วเราท่านทั้งหลายจะได้เอาศี น, นั้นมาเจริญได้แล้วก็เดินตามรอยบาทพระผู้มีพระภาคเจ้าได้อย่างชัดเจนมากขึ้นเนี่ยนะ ฉะนั้นในการที่เราท่านทั้งหลายได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของ พ, พ, รพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้ามาพิจารณาจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์มีพระมหากรุณาที่คุณการที่พระบรมศ า, ศาสดามีพระมหาที่คุณนั้นมาจากคำว่าพระควาโตที่ท่านใช้คำว่าบาคาวาอาคามาเนะเคนา ปัญจมาเรอาศะโตภัณฑิตวหานสิกาปโตสปัพพะลังกังนามิตังขันตวามุนิวโรตัมหาอนิมิเสวราสะโพนคณาเนปุณจันโดวาสามิ มิสังนามิตังวันตามิโสณเพนโททัสตวาปาทิหาริยังวาสาโดวิยกังกมีสาจังกมีนามิตังตรัตทิตาสังกาโส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 แล้วก็สถานที่ยืนอันไม่กัะพิภเนตน์นด้วยพระนาถเจ้าผู้คายอามิตรแล้วทรงสแสดงยมกาปาฏิหารอันนาสอสัศจรรย์แล้วพระองค์ก็ทรงสเสด็จจงกรมองอาจดังราชสีนรัตนจงกรมเจดีย์นั้นข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระนาถพระพุทธเจ้าพระองค์นั้ น, พ ร, น, นพร้อมด้วยสถานที่จงกรมคือรัตนจงกรมนั้น พระไตรโลกนาถผู้เปรียบเสมือนเสาเขื่อนอันมั่นคงสเสด็จประทับณรัตนคราเจดีเรือนแก้วยังมหาชนให้สมนัสด้วยฉับพันณรังสีข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระไตรโลกนาถพระองค์นั้นพร้อมด้วยรัตนคราเจดีเจดีคือเรือนแก้วนั้นด้วยเสียงกล้า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 ในโลกาาธาตุอันหาประมาณมิได้ด้วยพระมหากรุณาที่คุณนั้นยิ่งใหญ่ทรงมีพระสงค์ในการที่จะนำสัตว์ออกจากภัยกล่าวคือวัฏสงสารเพื่อให้สัตว์เหล่านั้นได้มีโอกาสเข้าสู่แดนกเกษมสำราญคืออมตะมหานิพพานจึงทรงอุตสาหะแล้วก็ทรงหารกล้ามากโดยการบําเพ็ญโพธิญาณบารมี คือโพธิญาณบารมีธรรมที่ยั่งยืนเนี่ยนะไม่เสื่อมถอยนับเป็นเวลา20อาสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากับถ้าเรามาพิจารณาจากที่เราท่านทั้งหลายเคยศึกษากันเคยฟังว่าทำกันมาเนี่ยทั้งๆ ท, ที่ความจริงน่ตอนที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นสุเมธาดาบทนะจะได้ก่อนที่จะได้รับรัตเยทรยากรหรือได้รับพยากรจากพู้พุทธเจ้าทีบังกรนั้น พระองค์ก็จะสามารถที่จะตัดสู้ได้อย่างแน่นอนนั้นน่ะหากพระองค์จะสละความปรารถนาที่ตนเองสั่งสมมาตั้ง16อสงไข่เนี่ยพระองค์ก็จะได้ตัดสู้ตามพระพุทธเจ้าทีปังกรแล้วพระองค์จะต้องไม่ลำบากไม่เหนื่อยยากไม่ต้องมาบำเพ็ญบารมี10บอุปบารมีสิบปารบาตธรรบารมีสิบอีกตั้งสี่อสงไข่ยิ่งด้วยแสนมหากุที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไร พระ อ, องค์กลับมามีผ้าไทยน้อมไปในทางสัมมาสัมโพธิญาณอย่างแน่วแน่ทำไมไม่เปลี่ยนใจน้อมเอาแค่สาวกโพธิญาณถ้าพิจารณาอย่างนี้ถามบอกว่าใจของพระ อ, องค์ในขณะนั้นนะ่ท่านประกอบด้วยตัณหาหรือไม่ว่าท่านปรารอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อมีชื่อเสียงเพื่อลาบสการะเ พ, เพื่อเสียงสรรเสริญเยนยอหรือไม่ ถ้าเรามาพิจารณาอย่างนี้เราจะเห็นว่าไม่ใช่อย่างนั้นเลยปรารถนาที่จะสําเร็จเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยในหัตถของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมุ่งมั่นหมายสัมมาสัมโพธิญาณทรงมีพระมหากรุณาปรารถนาที่จะอนุเคราะห์ต่อสรรพสัตว์จึงไม่ยอมสําเร็จเป็นพระอรหันต์และปรินิพานในชาตินั้นในข้อความเนี่ย ท่านกล่าวไว้บอกว่าสุเมธาดาบทกล่าวว่าเมื่อเรานอนอยู่บนพื้นดินมีความคิดอย่างนี้ว่าในวันนี้เมื่อเราปรารถนาทำลายกิเลสกราคะโทสะโมหะมานาทิฏฐิวิจิกิชาหิริกาโนตปาและอุทธจะก็สามารถทำได้และจักบรรลุเป็นพระอรหันต์ทันที แต่จะมีประโยชน์อะไรแก่เราที่จะรู้ว่าทำในศาสนานี้โดยเพศที่คนอื่นไม่รู้จักคาว่าโดยเพศโดยเพศที่คนอื่นไม่รู้จักเนี่ยโดยฐานะนั้นน่ไม่ใช่ว่าพระองค์ต้องการอยากจะให้คนรู้จักแล้วนับถือพระองค์คาว่าโดยเพศที่คนอื่นไม่รู้จัก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 เราเดินผ่านท่านมาอย่างยาวนานในสังสารวัตรคำว่ารู้จักนั้นในที่ในคำนั้นน่ท่านหมายความว่าเราไม่ได้ตั้งสัตทินซีไว้ในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเมื่อไม่ได้ตั้งสัตทินซีไว้ในพระผู้มีพระภาคเจ้าสัตทินซีก็ไม่เป็นปัจจัยแก่วิริยะในการที่จะออกจากบาปหรือว่าในการที่จะละบาปในการที่จะเจริญกุศลเป็นต้นเมื่อไม่มีวิริยะสติ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 จะมีประโยชน์อะไรเราแก่ท่านที่จะเป็นผู้ชายที่มีกาลังความสามารถจะข้ามพ้นแต่เพียงผู้เดียวเราจาักบรรลุสัพพยุญตยานช่วยมนุษย์โลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามพ้นได้ด้วยด้วยกุศลอันยิ่งใหญ่ที่เราได้ทำแล้วในพระพุทธเจ้าผู้สูงสุดแห่งบุรุษเราจักบรรลุสัพพยุญตยานจะช่วยหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามพ้นด้วย อาศัยเหตุดังกล่าวนี้แหละพระองค์จึงต้องทนทุกทรมานสร้างพุทธบารมีด้วยวิริยะอุตสาห์อีกยาวนานนับเป็นเวลาเสียสงไข่ ย, ยิ่งโดยแสนมหากัปกว่าจะได้ตรัสรู้นุตตสัมมาสัมโพธิญาณแม้ไม่ได้ตรัสรู้ก็ยังมิได้สมประสงค์ก็จะให้สัตว์ทั้งหลายนะข้ามพ้นจากความทรมาน แล้วก็เข้าถึงแดนสงบก่าวคือพระนิพพานเป็นต้นได้จึงทรงบำเพ็ญบารมีแล้วทรงแผ่มหากรุณาสมาบาาัติญาณพยานที่พระพุทธเจ้าทรงมีความกรุณาต่อสัตว์โลกก็ได้แก่ว่าสัพสัตวทรงประกาศธร ร, รมจักโดยอเนกปริยายจํานวนถึง 84,000 สี่พันพระธรรมขันธ์ธรรมจักที่พระบรมศาสดาทรงประกาศนั้นน่ะ เปรียบเสมือนหงายของที่คว่ำด้วยมีพระมหากรุณาวัาสัตว์ทั้งหลายผู้มีกิเลสน้อยจักพึงมารู้ธรรมเหล่านี้ได้คือพระบระมา ศ, าศาสดาเนี่ยที่พระองค์ทรงประกาศธรรมาจักทั้ง8 000, ปดหมี่พันพระธรรมขันธ์เนี่ยทรงประกาศอย่างนั้นน่ยโดยมีพระมหากรุณาที่คุณต่อเราต่อเหล่าสัตว์ทั้งหลายบอกว่าสัตว์ผู้มีกิเลสหรือทุลีในดวงตาน้อยเนี่ย จะมีโอกาสได้ดื่มด่ำรสธรรมจักรที่พระองค์ทรงประกาศหรือที่พระองค์ทรงหมุนเข้าไปยังกระแสะใจของสัตว์โลกสัตว์นั้นก็จะได้ดื่มด่ำรสของศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณที่พระบรมศา ส, าสดาทรงหมุนเข้าสู่กระแสะใจของสัตว์นั้นสัตว์นั้นก็จะได้บรรลุเข้าถึงความสงบฉะนั้นพระผู้มีภาคเจ้าทรงมีพระเวริยะอุตสาหะ ไม่ได้เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเพราะวรากายแต่อย่างใดตลอดพระชมชนชีพตรงนี้ที่ท่านกล่าวเขาไว้บอกว่าจริงอยู่พระผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายย่อมดำรงอยู่เพื่อเกื้อกูลแก่โลกเท่านั้นจำเดิมแต่ทรงบำเพ็ญอภิพนิหารความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าหรือปรารถนาพุทธภูมินั้นเนี่ยที่ยิ่งใหญ่ดาบเท่าจนถึงเสด็จดับขันธบรินิพานเนี่ย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 เหตุตัวสำปทานั้นความถึงพร้อมด้วยเหตุคือความเพียบพร้อมด้วยพระมหากรุณาธิคุณและการยังบำเพ็ญโพธิสมภารบารมี30ทัศน์ก็คือทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยาบารมีขันติบารมีสัจจะอธิฐานนเมตาแล้วก็เบคะบารมีอุปบารมีสิบบรมิสธรรมบารมีสิแม้มหาวิปสนาญาณและสัพพัญยุตยญาณ หรือเกี่ยวกับพยานทั้งหลายของพระบรมศาสดาที่เรียกว่ามหาวชิรญาณปัญญาดังกรทาเพชรอันยิ่งใหญ่ที่พระบรมศา ส, าสดาทรงเข้าที่จำนวนสองล้านสี่แสนโกฎสมาบัติอันพระองค์ให้เกิดขึ้นแล้วนควงไม้โพธิพฤก์ก็นับเข้าในเหตุตสมัมปทานนั่นแหละคือเหตุสมัมปทานถึงพ้อมด้วยเหตุเนี้ยมหาวิปัสสนาญาณนั้นเป็นประทัดฐานของโพธิสมภาร น, นะหระือโพธิญาณ น, นะ ฉะนั้นมหาวิปัสสนาญาณเนี่ยเป็นประฐานเป็นเหตุของโพธิญาณอันปรสริฐคืออารัตมัคคญาณโดยแท้อีกในหนึ่งท่านกล่าวว่าปัญญาเนี่ยนับเนื่องในปหาณสัมปทาส่วนผลและสัมปทานะั้นหมายถึงอะไรหมายถึงผลทั้งสี่ประการทั้งส่ประการก็มีปหานสัมปทาการละกิเลสพร้อมด้วยวาสนาพระบรมาสดาเนี่ย ทรงละกิเลสคือราคาโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาหิริกาโนตปาเลุทะจารวาสนาทั้งหลายนั้นพระองค์นั้นทรงละในกมลสันดานของพระองค์โดยสิ้นเชิงซึ่งต่างจากผ้าละหันตาเจ้าทั้งหลายที่กิเลสนั้นสามารถขจัดได้แต่ไม่สามารถที่จะละความเคยชินเป็นต้นได้ความเคยชินที่เป็นไปกับกิเลสเนี่ยเราท่านทั้งหลายมีด้วยกันทั้งนั้น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 แม้พระอรหันตธรรมดาทั้งหลายจะละราคาโทสะโมหะเป็นต้นได้แล้วแต่ความเคยชินที่ยืนฝังแน่นอยู่ในกรมละสันดานเนี่ยที่เป็นความนอนเนื่องโดยฐานะทําให้ความคุ้นเคยของรู ป, ปกายหรือทางด้านของกายทางด้านของวาจาที่กําลังเป็นไปอยู่นั้นนะ่ยก็ละไม่ได้ซึ่งต่างจากพระบรมศาสดาทั้งหลายท่านจกไม่มีความเคยชินเหล่านี้เลยเพราะอะไร เพราะ ต, ต้องการให้คนนะ้รู้จักท่านในทางด้านของรู ป, ปกายเมื่อคนเหล่านั้นได้รู้จักท่านในทางรู ป, ปกายพระเจ้านั้นบริสุทธิ์แม้ทางรู ป, ปกายและแม้นามธรรมาบริสุทธิ์แม้กระทั่งได่บอกว่าพยานของพระเจ้าเนี่ยคือกายของพระเจ้าเป็นไปอย่างไรนั้นที่จะปราศจากพยานนำหน้านั้นไม่มีเลยฉะนั้นส่วนในด้านของยานนะสัมปทานั้นออประหานะสัมปทานั้นคือการละกิเลสดังกล่าวความบริบูรณ ครบถวนทั้งหมดในการที่กําจัดกิเลสโดยองค์ธรรมแล้วได้แก่อะไรโดยสภาวะก็ได้แก่มรรคขยานมัรคขยานเนี่ยจริงๆท่านปหานสัมปทาท่านเอมามรรคสี่ถ้าโดยโดยมุ่งหมายโดยตรงจริงๆก็นุนอารหัตมรรคขยานที่พระผู้มีภาคเจ้าทรงได้ญาณนนะสัมปทาคือสัพพัญญตยานและทศพลยานเป็นต้นใช่ไหมพวกเวณิกระธรรม18พุทธยาน14อสาาี่าศันาญาณ แล้วก็ทศพลยานเวสาลัชยานเป็นต้นเหล่าเนี่ยนะนั้นจัดเป็นญาณน่ะสัมปทาซึ่งพระพุทธเจ้ า, าได้นั้นเป็นผลของการบําเพ็ญบารมีอนุภาวะสัมปทาถึงพร้อมด้วยศีลคุณสมาที่คุณเป็นต้นเนี่ยนะปัญญาคุณเป็นต้นแล้วก็อิทธิฤทธ์ทั้งหลายด้วยอนุภาพที่ไม่อาจจะคาดเดาได้พระบรมศาสดาเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะคาดเดาพระพูธมีจฉาเจ้าได้ แม้ถ้าเรามาพิจารณาดูให้สังเกตตอนที่พระบระมศาสดาเนี่ยถ้าเราจะอุปมาเนี่ยเขาบอกว่าถ้ า, ามีคนอยู่รอบทิศมาถามปัญหาของพระผู้มีพระเจ้าเนี่ยพระเจ้านั้นสามารถตอบปัญหาเนี่ยนะพูดปัญหานําเพียงไม่กี่ประโยคแต่สามารถแก้ปัญหาคนได้ทั้งหมดนะอย่างที่บอกว่าถ้าหากมีสัตว์มานั่งประชุมฟังธทำพระบระมศาสดาเป็นจํานวนโกรธเป็นจํานวนร้อ ย, อยกโกรธเนี่ยนะ พระบรมศา ส, สดาจะแสดงธรรมด้วยภาษาตันติภาษาคือภาษาลิบาลีแต่ภาษาที่พระบรมศา ส, สดาทรงแสดงไปนั้นพอไปกระทบโสตประสาทของสัตว์แล้วเนี่ยก็หมุนเป็นภาษาของภาษาใจของสัตว์นั้นทันทีหรือเป็นภาษาของสัตว์นั้นได้เข้าใจอย่างละเอียดละออและลึกซึ้งทันทีนี่แหะคือพยานของพระเจ้าหรือฤทธิ์ของพระเจ้าซึ่งหลากหลายยากที่ คนทั้งหลายหรือสัตว์ทั้งหลายในส า, นลากลจักรวาลจะคาดเดาได้เมื่อเข้ามาสู่เป็นภาษาตนเลงแล้วสัตว์เหล่านั้นที่นั่งฟังธรรมอยู่นั้นแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยต่างก็มีความรู้สึกว่าพระบรมศ า, าสดานั้นทรงเทศนากับตนเองเพียงผู้เดียวเท่านั้นนั่นแหละคือพุทธบา ร, รมีของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายเราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสได้นับถือพระธรรมคําสอนได้นับถือพระพุทธเจ้าได้ รู้จักพระพุทธเจ้าเนี่ยนับว่าเป็นบุญยราอันประเสริฐแล้วฉะนั้นเราท่านทั้งหลายตั้งสตินีวุรียินรีสติินีสมาธิินรีแล้วก็ปัญญินทรีย์ให้มั่นคงน้อมฟังพระธรรมคําคสอนของพระบรมศาสดาศึกษาเรียนรู้แล้วก็ไขควรประพฤติปฏิบัติให้ดูบา ร, รมีธรรมของพระบรมศาสดาตั้งแต่ทานบา ร, รมีศีนบา ร, รมีเป็นต้นซึ่งในวันนี้อรตมาก็จะเน้นในเรื่องของศีแลบา ร, รมี แล้วก็มาขับเคลื่อนในเรื่องของศีลที่เราท่านทั้งหลายระดับสาวกที่ควรจะปฏิบัติหรือปุถุชนทั้งหลายที่ควรจะปฏิบัติว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยจะน้อมรักษาศีลเดินตามรอยบาทพระบรมศาสดานั้นให้ชัดเจนอย่างไรเพื่อจะได้ป้องกันตนเองนั้นออกจากอบายภัยทั้งหลายคือการไปเกิดเป็นสัตว์โลกเปรตอสุรกายเป็นต้นหรือสัตว์เดรัจฉานหรือต้องการจะพ้นจากวัฏฏะทุกษ ตรงนี้ถ้ามาพิจารณาอยู่พระบระมา ศ, าศาสดาทรงมีอนุภาพมากพระสุรเสียงของพระบระมาศาสดานั้นสามารถให้ไกลจนถึงแสนโกอจักราวานก็ได้หรือจะ ก, กําหนดให้คนฟังในจํานวนสิบคนยี่สิบคนเนี่ยพระองค์ก็ทําได้แม้แต่พระบระมาศาสดานี่แสดงธรรมอยู่แต่อีกรู ป, ปรกายหนึ่งพระบระมาศาสดาก็ไปปรากฏอีกที่หนึ่งซึ่งหลากหลายคาดที่จะเดาข้าดที่จะไม่สามารถที่จะคาดคะเนและเดาได้ แม้แต่ผ้าอนนลซึ่งบำเพ็ญบารมีมาแสนกับผ้าอนนลนั้นจะกล่าวพระธรรมแต่ละครั้งผ้าอนนลบอกว่าข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ผ้าอนนลท่านเปลืองตนเองว่าคําตรัสทั้งหมดคํากล่าวทั้งหมดท่านไม่ใช่ของท่านนะของพระบรมศาสดาแม้ของพระบรมศาสดาแต่กําลังของท่านที่บําเพ็ญบารมีมาแสนกับนั้นน่ะผ้าอนนลนั้นเป็นผู้ฉลาดในอัฏฐและไปยังชนะฉลาดในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุด ฉลาดขนาดนั้นแม้ภาษาริบุตรก็ทรงยกย่องผ้าโนนแต่ผ้าโนนก็ยังบอกว่าที่ข้าพเจ้าสดับมาน่ยได้เพียงแค่นี้นะได้อย่างนี้เท่านั้นนะแต่ฉไห น, นเลยที่ข้าพเจ้าจะรู้ทั่วถึงธรรมของพระาศาสดานั้นเป็นไปไม่ได้เพราะพระาศาสดาพระบรมศาสดานั้นทรงมีพระธรรมกาศัยหลากหลายยากที่สัตว์ทั้งหลายจะรู้ทั่วถึงได้เพราะสัตว์เหล่านั้นไม่สามารถที่จะรู้พระพุทธเจ้าได้ทั้งหมด เพราะบารมีของพระพุทธเจ้านั้นมากมายจริงๆเราเอาบุคคลในทั้งชมพูทวีปมารวมกันแล้วเอาแค่ข้อทานอย่างเดียวเนี่ยก็สู้ทานบารมีของพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาศีลมารวมกันทั้งสิ้นก็สู้ศีลบารมีของพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาปัญญาเอาเนกขมมะเอาปัญญาเอาวิริยะต่างๆมารวมกันทั้งสิ้นก็ไม่เท่ากับบารมีธรรมของพระบรมศาสดา พระบรมศาสดาสร้างบารมีมายาวไกลนักประวัติที่เราเรียนรู้ที่เรารัทราบนั้นน้อยนิดมากฉะนั้นเราท่านทั้งหลายปัญญาของเราท่านทั้งหลายขนาดว่าคำสอนของพระพุทธเจ้ามีแค่นี้มันยังเหลือแก่ใจของเราที่จะรับรู้เลยอันนั้นพระพุทธเจ้านั้นตรัดนิดหน่อยเท่านั้นเองตรัดในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเรามากที่สุด และพระ อ, องค์ก็เล็งเห็นอนาคตการว่าศาสนาของพระ อ, องค์นั้นจะอยู่อีกไม่ยาวไกลพระ อ, องค์ก็เล็งเห็นประโยชน์อันนี้แหละพระ อ, องค์ก็ประกาศพระธรรมคาสั่งสอน8ปดหมสี่พันพระธรรมขันธ์เพื่อจะยังเป็นน้ำทิพย์เฉลมจิตใจของกระแสะสัตว์ให้สัตว์เหล่านั้นได้ดื่ม ด, ด่ารสพระธรรมเมื่อสิ้นการอายุศาสนาของพระ อ, องค์แล้วเนี่ย เราท่านทั้งหลายก็จะได้มีคติหรือมีที่ไปในอันที่จะเป็นที่หวังได้และจะทําปัจจัยแห่งการพ้นทุกข์ได้ประการต่อมาก็คือรูปปการยสัมปทาคือถึงพร้อมโดยพระรูปพระพุทธเจ้านั้นมีพระวรลักษณะ32ประการและนุพยานชนะ80บริบูรณ์มากและกษัตริย์ตูปการะสัมปทาก็ถึงพร้อมโดยการอนุเคราะห์สัตว์มีอยู่สองอย่างนะอาศัยามสัมปทาก็มีอัตยาสัยเกื้อกูลในสัตว์ผู้ประทุสร้ายนะ ถามบอกว่าในอดีตเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ใช่เพิ่งเป็นในชาตินี้เท่านั้นนะที่พระพุทธเจ้าจะมีอัตยาิสัยเกื้อกูลต่อสัตว์ที่ปทุศร้ายตนเองแม้ขนาดตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์อย่างยาวไกลเดี๋ยวเราเดินเรื่องในด้านของศีลและบารมีเราจะเห็นว่าพระบรมศาสดาของเราเนี่ยยิ่งใหญ่เพักเพียงใดเราจะเห็นว่าบางพบชาติเนี่ยพระองค์ทรมานมากในการที่จะต้องรักษาศีล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 เดินทางในการยาวไกลในการเป็นพระโพธิสัตว์นั้นนะ่ยระหว่างศีลกับมรรคสกาละท่านจะยึดมั่นที่ศีลท่านจะไม่ล่วงไม่ยอมล่วงละเมิดศีลไม่ยอมไม่ศีลตนเองขาดแม้จะสูญเสียมรรคสกาละเพียงใดระหว่างยศถาบรรดาศักดิ์พระโพธิสัตว์ท่านจะเลือกศีลท่านไม่เลือกยศถาบรรดาศักดิ์ระหว่างญาติกับศีลพระโพธิสัตว์ท่านจะเลือก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 ไม่รู้จักดีจากชั่วเลยเหตุที่ท่านต้องเลือกศีลเพราะศีลเป็นหนึ่งในพุทธการและกระทำธรรม ท, ที่จะทําให้เป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ามีอัธยาศัยในการที่เกื้อกูลสัตว์เพราะพระองค์นั้นน่ยต้องการที่จะขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัฏเคยเล่าบ่อยๆใช่ไหมที่บอกว่าพระโพธิสัตว์เคยเป็นพยาวานรท์เนี่ย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 ท่านก็มาพิจารณาว่าบุรุษนี้เป็นคนพานแท้ปทุศรายมิตรหนอเนี่ยแล้วพระองค์คิดอย่างไงท่านก็คิดบอกว่าถ้าจะปล่อยให้เขาทุบเราจนตายเนี่ยท่านพวนี้ก็จะหลงทางอยู่ในป่าก็จะตายที่ยกมือห้ามเขาไม่ใช่กลัวตายนะแล้วตนเองก็ไม่ไ ม, ไม่กล้าไม่กล้าโกรธ ถ, ถ้าโกรธแล้วศีลจะแตกทําลายไหม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 ถ้าคนรักชีวิตในสังสารวัฏจริงๆเนี่ยคนนั้นจะไม่กล้าตัดรากของศีลจะไม่กล้าทำลายศีลจะไม่กล้าให้ศีลั น, นแตกทำลายใช่ไหมแต่โทษที่เราเน่ไม่เข้าใจเราคิกว่าชีวิตเนี่ยมันสาคัญกว่าศีลเราก็เลยไปเลือกเอาชีวิตเราไม่เลือกศีลทั้งๆศีลหรือสุดจริตกรรมเนี่ยมันเป็นคุณธรรมที่ทำให้กระแสชีวิตน่ะไม่ตกต่ำ แต่ด้วยความที่ปัญญาของเราท่านทั้งหลายมันไม่กว้างมันไม่ไกลมันไม่มองให้ถึงถึงปริพพานปัญญาของเราท่านทั้งหลายมันไม่มองถึงการที่จะปริิพานในอนาคตเราก็เลยเลือกเอาชีวิตเขาไว้ล้วก็เลือกเอาอวัยวะเขาไว้ลราก็เลือกเอายาิแล้วก็เลือกยศถาบรรดาศักดิ์แล้วก็เลือกเลือกลาบสกาละแต่เราก็ตัดศีลตลอดเวลาสังสารวัตที่ผ่านมาเนี่ย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 เรานั่นมันเป็นบุคคลที่ประกอบมิจฉาทากแล้วก็เลยไปพวกไปตัดรากของศีลเราทําลายกระแสชีวิตของเราเองแท้ๆให้ตกละกรรมลำบากไม่มีใครมาทําเราเลยเห็นไหมเนี่ยได้โทษที่ปัญญามันไม่ถึงมันไม่เห็นคุณของศีลถ้าปัญญาถึงจริงๆเนี่ยเราจะรักศีลมากกว่าชีวิตแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงมันยังไม่ถึงเพราะอะไรเพราะการฟังพระธรรมน้อยไป ปัจใจในการฟังพระธรรมน้อยศรัทธาไม่เดินเพราะศรัทธาไม่เดินแล้วก็ไม่เกื้อหนุนปาฏิโมกสังวรศีลเห็นไหมสัตทินรี์มันอ่อนแอเราต้องเพิ่มอะไรต้องเพิ่มสัตทินรีเราอย่าไปคิดว่าเรามีศรัทธามากเรามีศรัทธาน้อยโดยมากศรัทธาเราก็ผิดรูปผิดทางไปไม่ค่อยถูกพระธรรมคาสอนของพระเจ้าหรอกเอาไปตั้งในสิ่งที่ไม่ใช่พระรัตนตรัยใช่ไหม ไม่ตั้งไว้ในวัตถุสามคือไม่ตั้งไว้ในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ถึงแม้เราท่านทั้งหลายเนี่ยจะเข้ามาศึกษาพระธรรมกันนี่นะในที่สุดจริงๆก็ตั้งผิดตั้งพลาดสังสารวัตเป็นอย่างนี้เราผิดมามากแล้วในสังสารวัตเนี่ยเราท่านทั้งหลายควรตั้งมานสิการแล้วหันมาดูตัวเองเยอะๆมองคนอื่นน้อยๆมองอะไรถ้าจะรักษาศีล ต้องมองศีลที่กระแสชีวิตของตันเองไม่ใช่ไปมองศีลที่กระแสชีวิตของบุคคลอื่นนะถ้าอย่างนั้นเราจะไม่รู้เลยว่าปริมาณของกุศลศีลเนีนะ่ยมันหนานแน่นไหมเนะพระพูดมาถึงตรงนี้แล้วมันเชื่อมเข้าคําว่าเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลนวีติกามาศีลเนนะ่ยมันชัดเจนหรือไมาเดี๋ ย, ยามาจะเดินในดูว่าจริงๆแล้วเนะ่ยในกระแสขันธาตุอายตนะในกระแสชีวิตของเราท่านทั้งหลายเนะี่ย เราประชุมศีลจริงๆได้ไม่ถึงห้านาทีโดยส่วนให ญ, ญ่ศีลเราเดินไม่ได้หลายท่านสําคัญว่าเป็นผู้มีศีลกันนะเหมือนอนะมาเนี่ยอยู่เป็นสิบสิบปียี่สิบปีมาเนี่ยก็สําคัญว่าเป็นผู้มีศีลมีสมณะสัญญาอยู่อย่างเดียวว่าเราเป็นพระเรามีศีลถามว่ามีสมณะสัญญาว่าเราเป็นสัมมณะเราเป็นผู้มีศีลถ้าเราดู ลักษณะของศีลดูกิจของศีลดูผลปรากฏของศีลไม่เห็นชัดเนี่ยเห็นชัดตรงไหนถ้าลักษณะของศีลเนี่ยศีระณะคําว่าเกลื่อนกล่นกระจัดกระจายแล้วไม่เกลื่อนกล่นไม่กระจัดกระจายแล้วไม่ซ่านไปเนี่ยแล้วก็ลองมาดูกายกรรมวจีกรรมของเรามโนกรรมแทบไม่ต้องพูดถึงกายกรรมของเราเนี่ยน้อมไปกับการฆ่าการละ ก, การประพฤติผิดในการ กันน้อมที่จะไม่ฆ่าเมล็ดไม่โหดผิดในการมถามบอกว่าเราไม่เคยฆ่ามนุษย์ชายเราไม่เคยฆ่าสัตว์ใหญ่ๆ ใ, ใช่แต่ถามเราเคยละแวดระวังสัตว์เล็กๆไหมเราเคยละแวดระวังไหมเรามาพิจารณาดูเราจะรู้เถอะว่ากายของเรามันไม่สุจริตหรอกโดยส่วนใหญ่บางครั้งเราเห็นสัตว์เล็กๆ เ, เราก็แสร้งว่าไม่เห็นเอาน้ําไปลดเขาให้ตายบ้าง สารพัดที่เราจะทำใช่ไหมท่านถึงบอกว่าถ้าต้องการสีในบริสุทธิ์จริงๆแมสมดดําตัวเล็กๆลิซยุงตัวเล็กๆก็ไม่น้อมที่จะไปประทุษสลายชีวิตเขามันต้องเก็บรายละเอียดได้ขนาดนั้นน่ะถึงจะเรียกว่าตัวกุศลสีน่ะมันแข็งแรงตัวกุศลศีนมันละเอียดอ่อนแล้วในด้านของกายการรมทางด้านของวจีกรรมถามบอกว่า กรณีที่เราท่านทั้งหลายจะเปล่งวาจากล่าวกันแต่ละครั้งเนี่ยมีความตั้งใจจัดแจงดีหรือยังที่จะไม่ให้วัจีกรรมของตนเองนั้นน่ะไม่กระจัดกระจายและซ่านไปในการที่พูดเท็จสอเสียดและคำหยาบหรือเพอร์เจอเรามีสัมมาวาจาในการที่จะงดเว้นจากมิจฉาวาจาแค่ไหนเห็นไหมเรามีความไม่โลภในการที่จะมาเกื่อกูลวัจีของเราให้สุจริตแค่ไหน เรามีความไม่โกรธที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนทําให้การเปล่งการกล่าวของเรานั้นเป็นไปกับการวัจีสุจริตศแค่ไหนและเรามีปัญญาพิจารณาชัดเจนที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่จะมึกเกื้อกูลกายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมไหมว่ากรรมที่ทําไปเนี่ยมันเป็นทุจริตกรรมหรือสุจริศกรรมแล้วทุจริตกรรมและสุจริศกรรมนั่นนะ่ะมันเป็นสมบัติของกระแสชีวิตที่มันจะเดินไปในสังสารวัฏท่านคิดกันไหม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 กรณีสุจริตกรรมเนี่ยสำคัญที่สุดใช่ไหมแต่ทุจริตกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรละถามว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนในอัถนั้นน่ยพระบรมศาสดามีพระประสงค์บอกว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมกล่าวคือสุจริตกรร ม, รรมและทุจริตกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของเรานะเราท่านทั้งหลายมีแก้วแหวนเงินทองมีบ้านมีรถมีดินมีที่ไล่ทีนะ่ะมีธุรกิจ